อาจารย์ครับกลับมาส ก, การะครับผมอจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอ า, ารย์ก่อนอื่นขอกราบขอภัยพระอาจารย์ครับเมื่อวานติดภารากิจก็เลยเลื่อนมาหนึ่งวันนะครับพระอาจารย์ครับต้องขอภาายัยท่านผู้ชมผู้ฟังมากกว่ารเราไม่ให้เป็าเมพระอาจารย์ก็เหมือนเดิม <laughs> บางคนก็ไม่รู้แต่เราก็ให้เขาโพสในเฟซบุ๊กไวไว้ แต่บางคนก็ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเฟซก็ก็เลยไม่รู้เข้าก็นลอยอย่างนี้กัครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้จพรยะอาจารย์มีถาบคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับอาจารย์ครับสองร้อยสิบกว่าคนเลยโอ้มาวันนี้ฮะมาวันนี้ห้าร้อยสามสิบกว่าโอวันคนเยอะเลยใช่เมื่อวันนี้มันเป็นวันพระด้วยคันอาทิตย์ด้วยคนเลยว่าแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาวัน ก็ต้องไปทํามากินทานนาํางานทําการเงินซดเข้าอะไร ไ, ไม่มีเวลามาใส่บาตรัจะมากช่วงเสาร์อาทิตย์กับวันพระครับเมื่อคืนกลับมาถึงกรุงเทพห้าทุ่มครับอาจารย์ห้าทุ่มนันหละมันมีทั้งมีหน้าที่ก็ต้องมีมีตาแหน่งก็ต้องมีหน้าที่ด้วยครับถ้าไม่มีตําแหน่งก็ไม่มีหน้าที่ครอย่างเราไม่มีตําแหน่งเลยไม่มีหน้าที่กับ <laughs> มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ครับาารครับอาจารย์ครับวันนี้พอดีตั้งหัวข้อนี้เพราะว่าวันนั้นเห็นคนเขาชอบไปดีเบตกันเรื่องศาสนาศาสนาพุทธศาสนาโน้นศาสนาันนี้อะไรอเงี้ยครับก็มีการดีเบตกันเรื่อยเลยครับอาจารย์แล้วก็เริ่มมีคนเอามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แสดงถึงคุณค่าของภูมพุพทธศาสนาครับเพื่อพวกเราจะได้ปัญญาจากเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับขอบพรเมตตาครับ คือคาถามว่าคำสอนของไทยเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สามารถเอาไปใช้ดับความทุกข์ได้มันก็มีมาตั้งแต่ในยุคสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งก็ยังมีคำถามนี้อยากจะเข้าไปกราบทูลท้าวพระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับคันประรินิพานกำลังจะตายก็พระอนุนกเลยห้ามบอกอย่าเข้าไปเลยตอนนี้ท่าน ไม่ไหวแล้วเขาก็บอกขออนุานมันได้โปรดเถิดพระพเจ้ามีคํําคาถามที่อยากจะถามพอพอพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกพระอนุลว่าอา น, นุลปล่อยเขาเข้ามาแล้วพอเขาได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเขาก็กราบถึงถามว่าว่ามีสำนักหลายสำนักมีคําสอนหลายําหลายคําสอนด้วยกัน เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าสำนักไหนคําสอนใดนเป็นคําสอนที่ถูกต้องคุณเจ้าก็บอกว่าคําสอนใดถ้าม่ถ้ามีมากแปอยู่ในคําสอนนั้นก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องถ้าไม่มีมากแปดหรือมีมากไม่ครบแบก็ไม่ถือว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องเพราะไม่สามารถนํามาไปใช้ดับความทุกข์ได้อย่างท้าวรนต้องมีมากแป หัวใจของพระพุทธสาสนาก็อยู่ที่มรรคแปดนี่มรรคแนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเจริญให้มากเจริก็คือศึกษาปฏิบัติเองถ้าเป็นชาวพุทธทุกคนจะรู้ว่ามรรคแปดนี้อะไรบ้างจะทบทวนสั้นๆข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบเห็นยังไงถึงได้เห็นว่าถูกต้องก็เห็นว่าทุกเกิดจากตัณหาค้ามอยาก ที่มีแสดงไว้ในอะริยสัจสี่แล้วก็บาปความทุกข์ก็เกิดจากการกระทาบาปอันนี้คือความเห็นที่จะต้องมีในสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วข้อที่สองก็สัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรก็ ค, คิดละบาปนถ้ารู้ว่าบาปเป็นเหตุของความทุกข์คิดละกิเลสตัณหาในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ห คิดแบบนี้เราจะต้องรักษาศีลราจะต้ภาวนาปฏิบัติธรรมเกละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้ก็คือข้อที่สองก็คือสามาสังกปวคิดคิดแบบนีนะ้เป็นความคิดที่ถูกต้องไม่ใช่คิดว่าวิธีดับทุกข์ก็คือต้องไปหาราบรุตสสงเสริญไปหาตำแหน่งต่างๆหาเงินหาทอง ของมือนี้ดับทุกข์ไม่ได้อาจจะดับทุกข์ทางกายได้ไม่สามารถมาดับทุกข์ทางใจได้ดันั้นนอาจากไม่ดับทุกข์ทางใจแล้กลับเป็นตัวสร้างความทุกข์ทางใจให้มีมากขึ้นเสื่อมไปเพราะมันเป็นตายรักมันไม่เที่ยมเวลาเจริญมันให้สุขเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์เราต้องอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดหาลามโยนเสลเสริญสุกมาดับทุกข์ให้คิดหา ให้คิดละบาปรักษาศีลให้คิดภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาแล้วก็จะสามารถละตันหาความอยากได้ก็มาข้อที่3 4 5 3 4, 5, ี่ห้าสามี่ห้าก็สัมมาคมันโ ต, ตาการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจา ก, การพูดที่ถูกต้องสัมมาชีวะอาชีพที่ถูกต้องก็คือ ก็คือเป็นการรักษาสีนั่นเองธรรมากรรมโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่เด็มสลายาเมา <c oughs> สมาวาจาก็คือไม่พูดปดสมาชีวก็ไม่ทําอาชีพที่เบียดเบียนสัตว์ก็คือไม่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองธรรมะชีวนี่มากห้าข้อละ แ้ก็มาเลยอีกสามข้อก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาวายามุความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องขยันให้ทำอะไรก็ขยันรักษาศีลขยันภาวนานี่ไงขยันเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้อุเบกขาได้ฌานสีสติให้ได้สัมปชัญญะคือสติต่อเนื่องไม่เผลออยู่กับร่างกายได้ตลอดเวลาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ตลอดเวลา ไม่ลอยไปที่นั่นที่นี่และอยู่กับพุโทโธได้ตลอดเวลาถ้ามีสัมมาสติไปนั่งสมาธิก็จะได้สัมมาสมาธิจิตก็จะเข้าอัปปนาสมาธิได้เข้าฌานสี่ได้พอเข้าฌานสีก็มีอุเบกขาพอมีอุเบกขาจิตก็มีกำลังหยุดความอยากได้พอมีสมาธิทฐิว่าทุกข์เกิดจากความอยากพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไปหยุดความอยากที่ดูสร้างความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็ดับไป บาป ก, ก็ไม่ทำาว่ารักษาศีลการนี้ก็จบแล้วเนียมักแปแค่มีเท่า น, นี้ต้อง เ, เข้าใจนะคุณหครับอาจารย์ครับข้อสามข้อสุดท้ายก็คือวายามโมสติและสมาธิก็ เ, เป็นองค์องค์ภาวนาเนี่สมถะภาวนานจจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดฌานชีเกิดรูเบคา แ ล, แล้วก็เราก็เอาอุเบกขานี้ไปสนับสนุนปัญญา <c oughs> ปัญญาคือสัมมาทิฏิที่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเพราะรู้ว่าความทุกเราเกิดจากความอยากเราหยุดความอยากเสียเรามีอุเบกขาแล้วก็หยุดความอยากได้เรามีปัญญาก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ด้วยเพราะสิ่งที่เราอยากมันไม่เที่ยงทุกสิ่งที่อย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดเวลา เวลามันจเจริญมันก็ให้ความสุขเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเรามรรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญารวมเป็นสามอย่างได้สามอย่างนี้บางทีท่นานแสดงแบบย่อยๆก็แสดงศีลสมาธิปัญญาเรียกตายสิกขาตายสิกข า, า, าก็คือวิชาที่คนนักบวชชาวพุทธเราคือพระภิกษุ ต, ต้องมาเรียนกันก็เลยวิชาตายสิกขานี้ นนมาปัญญาสิ้ก็สินสองร้อยิบ็ข้อไปเลยพระวินัยสมาสมาธิการเ่เจริญสตินั่งสมาธิปกุเวกปัญญาก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากคราอสาวกท่านสออริยสัจสีสอนน่งตายลสองเรื่องกดแห่งกรรมก็มีท่านี้แหละ ไม่กว้างขวางไม่ต้องไปเรียนทั้งคัมพีร์ทั้งแปดหมืนสี่พันวันธรรมขันอาจารย์ครับแล้วศาสนาเราจะอยู่ห้า0ันปีจริงไหมครับก็ตามที่มีการพยากรณ์ไว้มันก็ได้มันก็มาครึ่งหนึ่งแล้วสอง0ัห้า้อยกว่าปีพระพระจ้าก็ไม่เคยพูดอะไรที่ผิดพลาดคาดขึ้นก็ดูมันเริ่มเสือม ศา ส, สนาเสื่อมเราจะดูที่อะไรดูที่ผู้ปฏิบัติมากแปดนะมีมีมากมีน้อยในยุคสมัยพระพุทธเจ้าที่มีผู้ปฏิบัติมากแปดมากมีพระอนุญาบุคคลมากปัอามาการปฏิบัติมากแปดก็ค่อยๆลดน้อยลงคือภาวนาน้อยลงนะภาวนาน้อยลงศีลด้อยลงแล้วก็มานหนือแต่การทําบุญทําทานจะเป็นส่วนใหญ่ มันก็เลยจับศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่พระริยะบุคคลถ้าไม่มีพระริยะบุคคลเราจะไม่มีผู้ที่รู้ทำแท้มาเอาทำแท้มาสอนได้เห็นไถ้าการปฏิบัติมากไปมันร่ำรอำหลดตัวลงคือปฏิบัติศีลก็ลดน้อยลงภาวนาก็น้อยลงมีแต่เอาทำบุญทำทานเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นการสร้างถาบัวและวัตถุ ก, กันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นก่อเป็นกรรมเชื่อเป็นก่อเป็นกรรมกั สร้างภาพทรูปใหญ่ที่สุดในโลกสร้างเจดีย์สูงที่สุดในโลกถาวรวัตถุต่างๆมันก็อยู่ในระดับทานอย่างนั้นศีลนุ่งภาวนาไม่ค่อยมีใครไปเปีกไม่เวไปบวชกันต่อไปจะน้อยกว่านี้อีกต่อไปคนจะภาวนายิ่งจะน้อยลงก็คิดดูสมัยก่อนธรรมเนียมของชาวไทยเราชาวพุทธก็คือ ถ้าเป็นผู้ชายอายุยี่สิบก็จะบวชกันส่วนใหญ่จะบวชหนึ่งพันษาเป็นธรรมเนียมแต่พอทาด้านความจเจินทางวัตถุมามีมากขึ้นต้องทำงานกับบริษัทเอกชนที่เขาไม่มีศรัทธาในพูทศาสนาเขาให้ลาได้แค่สิบห้าวันบวชเมื่อก่อนเคยบวชหนึ่งพันษาก็บวชไม่ได้ต้องต้องมาบวชแค่สิบห้าวันลาได้แค่สิบห้าวันยกเว้นถ้าเป็นค้าราชการนี่ ทางการราชการ ย, ยังให้หลาดได้เก้าสิบวันแต่ต่อไปไม่รู้นะต่อไปก็อาจจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปบวชอย่างนี้อาจจะให้แค่ให้แค่เดือนเดียวนะั้นอะไรก็ได้เื่อดูการศึกษาก็เหมือนกันซการศึกษาสมัยก่อนมีพุทธศาสนาอยู่ในหลักสูตรใช่ไหมมีหลักสูตรศีลธรรมมีอะไรต่างๆแต่ไม่ถอนเอาไปหมดแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่ ผมยังได้เลดกับพระอยู่เลยครับอาจารย์สมก่อนพระมาสอนที่้องเรียนครับเนี่ยมันก็จะเสื่อมมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเสื่อมไปจํานวนพระเอรียบบุคคลก็จะมีลดน้อยถอยลงไปความสงสัยความโต้เถีงมือกันนะหลักธรรก็จะมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เอาพวก <c oughs> พวกตาบอดคําช่างเคยได้ยินนิทานตาบอดคําช้างไหม แตาบอดห้าคนมาเจอช้างตัวหนึ่งตัวคนหนึ่งก็ไปจับหางช้างวอาไอันนี้มันเชือกช้างมันเหมือนเชือกนีอีกคนก็ไปจับงวงว่ามันเหมือนงูใหญ่อีกคนก็ว่าไปจับงาเขาก็ว่ามันเป็นหอกอคนไปจับหูมันเป็นพัดเนี่ยคนไปจับทองก็มันที่นกำแพงมันก็ถูกทั้งนั้นแต่มันเสียงกันจนปากเปียกปากฉีก่ เขารู้กันแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็อวดรูกันมาอวดเสียงกันมาถกเสียงกันครับมีเยอะเลยครับแล้วไปออกรายการทีวีกันเยอะเลยครับอาจารย์ได้สมัยนี้เขาก็ตบเพอกันด้วยคือเขาชอบให้มีคนหัวลากกันฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องมีให้มันมันนะถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วมันซึมมันนี่มัน มันไม่มันไม่ใช่ทางลวกเขาต้องการเป็นการบันเทิงมากกว่าที่ไปลนออกไปทางสื่อต่างๆมันเป็นการบันเทิงฮะใช่ไหมดูไปก็หัวเราะไปที่กากไปยังมีรายการเราอยู่ครับอาจารย์ดู <laughs> ราดล เ, เหมือนกันขอบพร ะ, ระารย์ครับกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับ ขอโอกาสถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับวันนี้จะทางติ๊กตอกสามารถที่จะส่งคำถามได้แล้วนะครับมีคำถามบอกว่าหมอบอกให้นอนหกถึงเจ็ดชั่วโมงแต่พระสอนสมาธิบอกว่าต้องอธิษฐานไม่ต้องนอนตลอดคืนจึงจะดีแล้วอย่างนี้จะเชื่อใครดีครับคือการไม่นอนตลอดคืนนี่เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ตลอดไปยังนอาจจะวันพระอาทิตย์นึงเอาสักหนึ่งคืนคือเพิ่มความเพียรหน่อยเออ กรตุ้นความเพียรถ้ามันนอนมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติก็เลยบางทีก็มีการาตั้งทิฏฐานสัจจะว่าถ้าเป็นมันพระพระจะถือเนสัจชิพจะไม่นอนหนึ่งคืนจะปฏิบัติธรรมทั้งคืนอันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะเป็นช่วงช่วงไม่ได้ทำตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พระนอนเกินละสี่ชั่วโมงก็พอถ้าเป็นนักบวชนะนับวชนอนแค่สี่ชั่วโมง ทรงสอนว่าให้นอนตอนตีสีทุ่มสีทุ่มให้ตื่นตอนตีสองพอตื่นแล้วก็ให้ปฏิบัติจริญสตินั่งสมาธิเดินอยกรมไปจนถึงเวลาสว่างไปบิณฑบาตขณะทากิจบิณฑบาตครบชั้นก็ให้จริญสติอย่างต่อเ น, นื่องจนถึงบ่ายก็มีการปัดกวาดลานวัด ในช่วงที่ไม่มีกิจก็เดินสมาธิเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิในที่ภาคของตน ป, ปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วก็า จ, จะมีฉันน้ำปานะหน่อยมีน้ําให้ดื่มหน่อยเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ตอนเย็นก็ไปส ง, งน้ําอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็เดินจง ก, กรมนั่งสมาธิจนถึงสี่ทุ่มนี่คือกิจของพระท่านให้สอนให้ทําอย่างนี้ ฉะนั้นนอนสี่ทุ่มสำหรับผู้เจ้าเนื้อเฟือเพราะนั่งบวชไม่ไดไ้ไม่ได้ไปใช้แรงงานมากเหมือนกับคาราวาคาราวาต้องทํางานแปดชั่วโมงมันว่าจะต้องมีเวล า, าพักผ่อนมากหน่อยเพราะใช้ร่างกายทางานมากแต่พระนี่ยก็ไม่ได้ใช้อลไนอกจากเดินโยกมืนั่งสมาธิเท่านั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เดินตลอดทั้งวันสลับกันเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งนั่งแล้เมื่อยแล้วก็กขไปเดินใหม่ แล้วก็ทำภารกิจเล็กๆน้อยๆเช่นปัดกวาดลานท่าทำความสะอาดทูสาลาอะไรก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานมากใช้แรงละใช้แรงงานมากแล้วเวลาพักผ่อนสี่ชังวองก็เหนื่อเฟือคุณบ้านครับต้องพิจารณาอย่างไรกับสิ่งที่กระทาจะส่งผลเป็นบุญหรือเป็นบาปครับ คือการกระทําใดที่ทําให้เกิดความสุขกับตนเองและกับผู้อื่นอันนั้นเรียกว่าบุญการกระทำใดที่ทําไปแล้วทําให้เกิดความทุกข์กับผู้อื่นและกับตนเองนี่เรียกว่าบาปให้ดูที่ตรงนี้คือดูคนอื่นก็คือเราให้ของเขาแล้วเขายิ้มเขามีความสุขเขาขอบใจเราอย่างคุณหมอไปแจกของที่น้ําท่วมเนี่ยคนร่ำแล้วเขาดีใจไหมเขามีความสุขไหม แล้วคนได้ก็มีความสุขนะคนให้ก็มีความสุขใจใช่ใชไหมอ่านั่นแหละคือบุญนะให้ดูที่คู่รับและผู้ให้ว่าได้รับประโยชน์ได้รับความสุขทั้งสองฝ่ายเรียกว่าบุญในทางตรงข้ามถ้าคุณหมอเอาไปไปขับไล่ชาวบ้งชาวบ้านไม่ให้ไม่ให้อยู่ที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาเดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนคนไปขับไร่ก็มันใจไม่ค่อยสบายเหมือนกันใช่ไหม เราทำทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็เป็นบาปงั้นให้ดูที่ผลที่เกิดจากการกระทําของตนว่าการกระทานี้เกิดประโยชน์สุขกับผู้อื่นและประโยชน์สุขกับตนหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์สุขทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นบุญถ้าไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นบาป อาจารย์ครับแต่มีบางคนใจเขาด้านมากเนี่ยครับอาจารย์คือทำแล้วไม่รู้สึกว่าบาปเนี่ยนะครับอาจารย์ครับใช่มันบางทีมันก็รู้เพียงแต่ว่ามันพยายามฝึกไม่ไม่ไม่ไม่ค่าๆว่ามันอํานาจของกิเลสตัณหาโมหะมันมากมันก็เลยทําให้มันมันด้านด้านต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองมันก็มีความทุกข์อ่ะมันจะทํำไปได้มันก็น้านไม่หลับบางทีก็มันก็ กนไม่ได้นอนไม่หลับเลยว่ามันก็มีความวิตกกังวล <c oughs> อยู่ในใจลึกๆที่เราไม่สามารถจะเห็นได้แต่ตัวผู้กรทําเขารู้ยเขาเองวิธีเพิ่มศรัทธาให้มีกำลังใจในการปฏิบัติควรทำอย่างไรครับจะน้อมใจอย่างไรครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือศึกษาให้มากขึ้นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นทางเทศสางธรรม จากพาริยรบุคคลนะถ้ารู้จักภาริยรบุคคลพักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปศึกษากับท่านไปอยู่ทีละ3วันหวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดท่านที่จะไปเที่ยวก็ไปอยู่วันไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมทางเทศฟังธรรมถ้ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าไม่มีก็เอาพระตไตรปิฎกอ่านอ่านพระสูตรต่า ง, างอ่านมงคลรสูตรอ่านสติปัฏฐานสูตร แล้วก็พยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระสูตรท่านสอนให้ทําอะไรบ้างแล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมีกําลังใจขึ้นมาเกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อเรามาถูกทางแนละ้วคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำแม่นลังเลสงสัยต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งการศึกษาและมีการปฏิบัติ อย่างถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างที่ไปอยู่กับบ้านต่างตาเนี่ท่านก็จะเรียกพามาอบรมช่วงที่เราไปใหม่ๆนี่ประมาณสี่ห้าวันก็เรียกมาอบรมทั้งเทศให้ฟังประมาณสองชั่วโมงเทศด้วยคุยกันด้วยเทศประมาณชั่วโมงอลังจากนั้นก็คุยเล่าประวัติของท่านเล่าประสบการณ์ของท่านวิธีการาต่างๆในการปฏิบัติพอหลังจากที่ฟังเทศฟังธรรมเสร็จจิตใจมันมีชีวิตชีวาขึ้นมา กลับไปกุติที่นั่งสมาธิต่อได้หลายชั่วโมงแล้อเดินโยกมือต่อได้หลายชั่วโมงแต่ก่อนที่จะมีประชุมนี่จิตใจเป็นห่อเหว่มันแห้งแล้งเหมือนกับบนถาดธรรมะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งต้องเลื่อผ้ามาอบรมอยู่เล ย, เลยอย่างสม่ำเสมอ น, นี่เป็นปริยัติทางสายปฏิบัติให้เราถือว่าปริยัติปฏิบัตินี่ไปคู่กันแต่ทางปริยัตินี่ก็ถือว่าปริยัติกับปฏิบัติแยกกัน ต้องเรีนปริญญาจอดต้องเรียนให้จบต้องทำตีโทเอกก่อนให้จบปริญญาเก้าก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติตัวคนนี้กิเลสกินในหมดพอดีถ้าถ้าทํานี้เก้าฝีปรีย น, อยยนพอได้ปริญญาเก้ากิเลสคือคื อ, ค, อคืออัตตาตัวตนของผมก็มาเราเก่งแล้วเราเป็นเราเป็นปริญญาเก้าขึ้นมาให้ ท, ทันทีไปปฏิบัติเขงไม่ปฏิบัติเป็นอาจารย์ไปเลยสอนเป็นครูไปเลย รับพระอาจารย์อยู่กับหลวงตานี้มีคําถามบ้างไหมครับอาจารย์เราไม่มีหรอกเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเข้าใจแบบธรรมเพราะเราศึกษาเราอยู่คนเดียวมาปีหนึ่งนการบวชของเรานี้เราบวชเพื่อไปหาที่ปฏิบัติมากกว่าไปหาครูบาอาจารย์อันนี้คูู้ตาพูดจากใจจริงนะไม่ได้ประมาณในครูบาอาจารย์ทยั้งทิ้นเพราะเราคิดว่าคําสอนของพระเจ้า น, นี่ก็ค่อนข้าจะชัดเจนอยู่แล้ว เลยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ต้อจะไปถามใครที่ไหนอย่างไรเพียงแต่ได้อยูว่าคูบาอาจารย์มันได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ยากยุนกว่านี่ที่เราไม่รู้เช่นการอดอาหารเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอุบาวิธีที่จะช่วยช่วยเสริมความเพียรได้ในการนั่ง น, นานให้มันผ่านทุกขเวทนาอันนี้ <c oughs> ต้องยู่ครูบอาจารย์ถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านก็จะบอกแนวทางให้อาจารย์ครับมีคนถามว่าหมูเด้งเคยเป็นคนหรือเปล่าครับผู้ยมจูไม่เคยติดตามไม่ติ็ดไม่เคยติดตามเลยไม่เคยอะไรเด้งเลยตอนอย่งเกี่ยวเป็นเรื่องหมูเลยก็ไม่ใช่ก็เป็นฮิโปครับอาจารย์เป็นเร่องสิเราไม่เี่ยวไปสนใจกันเรื่องาไรสาระต่างๆนี้เสียเวลาเปล่า เพราะเหตุใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่บัญญัติให้การเล่นการพนันเป็นการปิดศีลครับมันเป็นนโบายมุงเนี่ยมันไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนพิจารณา ท, ทาให้ตนเองเสียหายเดือดร้อนเช่นการพนันเดี๋ยวก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวนะเวลาได้ก็อยากจะก็ไม่เลิกนะเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็ไม่เลิกอีกก็อยากจะได้คืนพอเสียไปพอเงินไม่พอใช้ก็ต้องขายทรัพย์สินนั่นเอง มีทรัพย์สินอะไรขายไปแล้วมาเล่นต่อเล่นไปเดี๋ยวก็หมดเด็กก็หมดทรัพย์สินก็ขายบ้านขายขายที่เพราะว่าขโมยขึ้นบ้านนี่มันไม่ร้ายกาจเท่ากับผีพนันขโมยขึ tamam. ข้นบ้านมันก็ไปได้ยกายค่าทรัพย์สินเข้าของเงินทองที่มีอยู่ในบ้านแต่บ้านมันก็เอาไปไม่ได้ที่ดินมันก็เอาไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านมันก็ไหมแต่ทรัพย์สินก็ไหม้บ้านแต่ที่ดินมันก็ไหมอย่างเผาไม่ได้ แต่พีพันธันี่มัเอาไปหมดเลยจิตเนื้อประดาตัวแล้วก็ต้องไปทํำบาปต่อไปใช่ไหมเคยได้ยินข่าวมันไปปล้นไปปล้นร้า น, านทองเพื่อจะเอเงินไปใช้หนี้การพนันเนี่ยมีคําถามบอกว่านักการเมืองรัชการสมัยก่อนคนดีเยอะไหมครับและสมัยนี้คนไม่ดีเยอะไหมครับถามว่าสมัยก่อนคนโบราณมีคนดีไม่ดีไหมครับ คือมันก็้นอยู่กับ ว, ว่ามีศีลธรรมมากน้อยฮะสมัยก่อนศีลธรรมนี่จะมีมากกว่าเพราะคนเข้าวัดมากกว่าสมัยก่อนนี่พอวันพระนี่คนทุกคนก็จะเข้าวัดกันทนะั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งความเจริญทางด้านวัตถุก็ไม่มก็ไม่น่าพอยังไม่มีอะไรมายั่วใจให้ไปทำบาปไปคอร์รัปชันแต่สมัยนี้คนก็ไม่เข้าวัดกันโรงเรียนก็ไม่สอนศีลธรรมกัน อันนี้เป็นภูมิต้านทานของใจต่อการกระทำบาปแล้วก็มีของยอ่เยอะอย่างนี้ของกระเป๋าใบละล้านนี้รองเท้าคู่ละแสนนี้มันก็เลยทาให้ลหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เลยต้องหาเงินพิเศษเข้ามาเพรา ะ, ะไรายได้เดือนๆนันไม่พอใช้การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้เป็นการอุทิศให้คนเป็นหรือเป็นให้คนตายหรือว่าทุกๆคนครับ ให้คนตายคนตายคนเป็นที่เราให้เมตตาแล้วเราให้ข้าวให้ขอ ง, อ ง, ขขอ ง, งอก็อย่างคุณหมอเนี่ยไปให้ข้าวให้ของชาวบ้านไม่ใช่ทําบุญแล้วอุทิศให้คนเป็นหร่กคนเป็นเะฉันไม่รับดอกบุญเนาะฉันฉันต้องการข้าวของเงินทองแต่คนคนตายนี่รับเข้าของเงินทองไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเอาข้าวของเงินทองไปเปลี่ยนเป็นบุญอย่างคุณหมอเนี่ยสามารถอุทิศบุญได้แล้วนะเพราะเอาไปแจกข้าวของแต่ต้องเป็นของของตนเนี่ยของคนอื่นเราไม่ได้บุญนะ ได้ร่วมกันไปหลายคนกับอาจารย์ใช่ใชเ้าต้องฝากกระเป๋าของเราเองด้วยแต่ถ้าเราไปเอาของคนอื่นไปให้เราก็ได้เพียงแต่ช่วยเหลือเอาของเป็นสะพานบุญให้กับเขาเท่านั้นแต่เราไม่ได้เป็นคนทําบุญเองคุณหงครับถ้าเรานํายาคูและข้าวมาใส่บาศซึ่งเข้าใจว่ามีจุลินทรีย์มีชีวิตอยู่ถือว่าบาศไหมครับไม่บาศหรอกทีนี้มันไม่ได้มีวิญญาณ การที่ย้ำสิ่งที่มีวิญญาณได้มันต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายให้จิตไปเกาะแต่สิ่งนั้นไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายมันไม่มีจิตที่จะไปเกาะเช่นต้นไม้นี่ก็ไม่ไปเกาะต้นไม้ก็มีชีวิตไม่ใช่เหรอในสายตาของธรรมแต่มนไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายมันไม่มีวิญญาณไม่มีจิตไปเกาะปฏิบัติธรรมและมีความเข้าใจในความไม่เที่ยงแต่พอจะต้องไปตรวจสุขภาพกลับมีความกังวลขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับ ก็ปัญญายัางไม่เป็นปัญญาแท้ไงยังเป็นสัญญาอยู่เวลาไม่เวลาไม่เจ็บคไายได้ป่วย <S <S ก็รู้ว่าอ๋อไม่อ่าต้องเจ็บไายได้ป่วยแล้วก็รู้ว่าสาเหตุเขาเกิดจากการไม่อยากให้เจ็บไายได้ป่วยถ้าเราหยุดเรายอมเจ็บไขยได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็คิดไปก่อนได้แต่พอไปเจอของจริงปุาบมันลืมหมดเลยเรื่อปัญญาที่ได้ฝึกวนนมๆมากิเลสคือตัณหาความอยากไม่เจ็บไม่ตายนี้มัน มามาแรงกว่าพ้ากิเลสแรงกว่าใจก็เลยทุกข์แต่ถ้าปัญญาแรงกว่าปัญญาบอกว่าก่อนแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายพอรับได้ด้วยปัญญา น, นี้ใจก็ไม่ทุกข์กเหมือนอยู่ที่ว่าปัญญากับกิเลสอันไหนมันจะมามาก่อนใครมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาม่ตามนมีกําลังมากกว่าปัญญาปัญญาที่เคยฝึกฝนรวมหายหไปหมดเลยอย่างใช้ไม่นานเธอก็สอบตกต้องไปทําการบ้านหมดเลยหรือสติสมาธิมีกําลังไม่พอที่จะต้านปัญหาความอยากก็ต้องไปฝึกสติสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ คุณทัชปานครับวันนี้เป็นวันเกิดครับขอความเมตตาพระอาจารย์ให้พรครับก็อย่างที่เคยให้พรมีสองแบบให้พรแบบอแบบแบบจริงกับแบบไม่จริงแบบไม่จริงก็คือขอให้สุขให้เจริญด้วยอายุวนันนะสุขพะพะละอันนี้ไม่จริงแบบตายด้วยกันทุกคนครับถ้าความจริงถ้าถ้าอยากเอาพอรที่เป็นความจริงก็คือขออยาให้ได้กลับมาเกิดอีก พรว่าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายติดต่อไปเอาไหนก็เลือกเอาให้สองอย่างการไปสวดพุทธพิเศษพุทธาพิเศษที่จัดตามวัดถือเป็นการฝึกสมาธิได้ไหมครับคิดว่าไม่ใช่หรอว่ามันเป็นการฝึกสมาธิมันต้องไปอยู่คนเดียวมากกว่าไปที่สงบสงัดวิเวก ถ้าไปทําพิธีกรรมนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปฝึกสมาธิกันหรอกไปทําพิธีกรรมกันไปสังคมกันไปคุกกีกันเจอกันก็คุกก็คุยกันสนทนาทำสนทนากันอะไรมากกว่าถ้าจะฝึกสมาธิจริงๆต้องไปปลีกวิเวิอยู่คนเดียวนะคุณสมพรครับการให้เงินญาติพี่น้องถือเป็นทานถือเป็นบุญด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็เป็นการให้เหมือนกันให้พระให้พระก็เป็นทานให้โยมก็เป็นทานคําว่าทานก็แปลว่าการให้ให้ข้าวของเงินทองนี้เป็นการให้ให้แล้วก็เกิดผลขึ้นมาก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจของทําสมาธิจะต้องกําหนดจิตไว้ที่ใดครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นอารมณ์ไ ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็กำหนดจิตอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆให้จิตกับพุโทโธแนบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถ้าเราใช้ดูลมหายใจเข้าก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าที่บริเวณปลายจมูกบริเวณที่ลมเข้าออกสัมผัสรับรู้ได้ที่ปลายจมูกก็ให้จดจอ่อให้จิตรู้อยู่กับลมอยู่ที่ตรงปลายจมูกไม่ให้จิตไปที่อื่นถ้าจิตอยู่ที่เดียวได้จิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้ กราบขออุบายพระอาจารย์เอาชนะกิเลสด้านความสุขครับก็ต้องพิจารณาความสุขมันก็เป็นของไม่เทีย่ยงมันเป็นของชั่วข้าวมีสุขก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอ น, นิจจังงั้นอย่าไปติดสุขพอติดสุขแล้วเวลาสุขมันหายไปจะทุกข์ให้ทําใจเฉยๆสุขมาก็รับรู้เฉยๆไปอย่าไปยินดี เพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ยินดีกับมันเวลามันจากไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถึงหน้ที่เรายินดีเรารักในเวลาเขาจากเราเราจะทุกข์ใช่ไหมถึงแม้ที่เราไม่ยินดีเวลาเขาจากเราเราก็รู้สึกเฉยเฉยงั้นอย่าไปยินดีกับอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะสุขเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่พระอาจารย์ไม่สบายแล้วซื้อยาไปถวายอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้จะไม่สบายหรือไม่เลือสบายก็ไม่เป็นปัญหาเลยคนคนถวายก็ได้บุญเท่างนั้นแ่ะเพราะได้เสียสละเงินทองซื้อยาไปให้กับบุคลบคลนั้นบุคคลนี้ก็เกิดบุญขึ้นมาแล้วในใจของเราส่วนคนรับจะไปใช้หรือไม่เ น, นี้ไม่เกี่ยวอะไเราแนะ นั่งสมาธิเพื่อให้ได้ฌานหากเมื่อยควรอดทนหรือสามารถเปลี่ยนนิยาบทได้ครับถ้าเปลี่ยนมันก็เหมือนกักลับมาเริ่มต้นใหม่กําลังจะเข้าได้ก็เข่งว่าเจ็บแล้วถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องให้มันทะลุไปเลยนั่งต่อไปให้มีสติอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบมันก็จะมันก็จะได้ผลถ้ากลับมาถอยออกมาขยับร่างกายเปลี่ยนนิยาบทก็ เมื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่น้ำที่ไหว้พระพุธรูปลาแล้วนามากินได้ไหมครับก็มันสอารดีกาา้อาดด่มได้ถ้ามันไม่สาาก็นดื่มไม่ได้วิธีความสะรามีหลายคนถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมคือธรรมชาติใช่ไหมครับอาจารย์ก็เคยตอบแล้วว่าธรรมะโดยหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า หนึ่งในพระรัตนตรยัยพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยพระธรรมก็คําสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรนุ ธ, ธรรมรู้อริยสัจสี่รู้ใจรักรู้กฎแห่งกรรมอันนี้แหละคือธรรมที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนํามาเผยแผ่สั่งสองในให้กับสัตว์โลกแต่คําว่าธรรมนี้มันก็เป็นคําที่ใช้ได้ได้หลายหลา ย, หลายวิธีด้วยกันเช่นถ้าเราพูดถึงสิ่งต่างๆในเรื่องนี้เราก็เรีย ก, เ ร, กเรียกสิ่งต่างๆว่า ว่าเป็นธรรมไม่ได้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอาจารยว่าสิ่ง ต, ต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอันนี้ก็เป็นธรรมอันนี้หมายถึงทุกอย่างเลยอันนี้หมายถึงมั น, เ ป, นเป็นคำที่เราเอามาใช้กันแทนแทนสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนีน้เรารวมมัเข้าไปในตัวธรรมตัวเดียวกันหมดเลยที่แปลว่าสภาวะธรรมการที่เราไปให้อาหารผู้ได้โอกาส บุญนี้สามารถที่จะปลุดน้ําให้บัณพบุรุษได้ไหมครับได้ก็เป็นทานอย่างหนึง่งสติน้อยใจท้อแท้เหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อหน่ายควรทําอย่างไรดีครับก็ทําสติให้มากขึ้นพยายามพูดโธให้มากขึ้นนะไม่เห็นยากตรงไหเลยเริ่มตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็พูดโธเลยแข่กับกิเลกี่เลยมันรรดาใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ดึกมืด ให้มันมาคิดที่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอมีพุโทโธใจก็จะว่างใจก็จะเย็นใจก็จะสบายไม่ท้อแทอ้เดือดเลยอาการของใจมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นใช่ไหมครับมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย mm hmm. เช่นเวลาเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสก็มันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใ น, ในใจเรา บางทีก็สุขบางทีก็ทุกขบางทีก็เครียดบางทีก็สงบบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ในใจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยต่างๆการที่เราลอยอังคารเป็นพิธีกรรมของศาสน า, าพุทธไหมครับและถ้าเราไม่ลอยอังคารใส่เจดีย์ไว้ผู้ตายจะเป็นอย่างไรครับหรือแตกต่างกันอย่างไรครับผู้ตายตายไปแล้วไม่แตกต่างกันอย่างไ ผู้ายกลายเป็นกันดูกกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วเอาไปเทวาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้อย่างน้องตาท่านก็นเอาไปโรยที่ใ ต, ต้โคนต้นโพแม่ของท่านมันดาวท่านแล้ว เ, เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าคือต้นโพนี้เราถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกให้เอาเอากระดูกเนี่ยเอาขี้เท่าเนี่ยไปโรยไว้ใต้ใต้ต้นโพแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ไงเป็นอาหารให้กับต้นโพไป นี่อยู่ที่เราจะจัดการกับมันอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นเะเก็บไว้ในพระอกก็ได้สร้างเจดีย์บรรจุไว้ก็ได้เราจะไปลอยอังคายก็ได้มันก็เป็นแค่วัตถุเช่นขยะพูดง่ายเหมือนขยะดีๆนี่ถ้าเราเอาโหสิกรรมต่อเขาไปแล้วถือว่าเราเอาโหสิกรรมสำเร็จถูกต้องไหมครับก็ถ้าเราไม่มีการจองเวรจองกรรมของเขาแล้วก็ถูกต้อง เราให้อภัยเขาแล้วแต่เขาจะให้อภัยเราหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงอันนี้คนละคนละเรื่องกันส่วนเราเราทำได้แต่ส่วนเขาเราไปถ้าเราอภัยแล้วเขาจะให้อภัยเราหรือไม่นี้ก็อีกเรื่องหนึงอยู่ที่เขามันไม่มันไม่ได้เป็นเพดเป็นผลนะเพราะถ้าเราเอภัยเขาแล <c oughs> ้วเขาจะอภัยให้กับเราไม่แน่นอนบางทีก็ไม่ยากให้อภัยก็ได้ เราควรหยุดความเฉพาะยิ่งความอยากที่ก่อตันหาต่างๆรวมทั้งความอยากดีอยากเด่นอยากดังเราควรหยุดความอยากที่ว่ามาเพราะความอยากดังกล่าวทำให้เกิดความทุกข์ยกเว้นความอยากทำความดีเราไม่ต้องหยุดให้อยากทำความดีต่อไปเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง่ารทำความดีเช่นการทำทานการรักษาศีลการรอานเนี่ยเป็นความอยากที่ดี ดูลมเห็นสมาธิจิตนิ่งนั่งปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับเอไม่เห็นตอนที่นั่งเลยอยากจะเห็นอนิจจังนังทุกขังอนัตตาต้องคิดต้องพิจารณาเปรียบเทียมเช่นอนิจจังของไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเช่นดูใบไม้เนี่ยใบไม้ไมันเที่ยงไหมมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาตอนต้นมันก็โผล่มาจากกิ่งไม้เป็นใบเล็กๆแล้วมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นใบใหญ่ ต่อไปมันก็เริเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ําตาลจากสีน้ําตาลมันก็ในที่สรดมันก็ล่วงลงมาลงมาสู่พื้นดินอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆในโลกเหมือนใบไม้อ่ะร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทารกแล้วก็เป็นเด็กโตเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว กต่อมาก็กลายเป็นคนแก่คนเจ็บแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงของร่างกายเราต้องพิจารณาต้องศึกษาไม่ใช่นั่งสมาธินั่งสมาธินี้เพื่อเพื่อหยุดความคิดต่ตางๆการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญานี่เป็นงานที่อยู่กันคนละภาคทําพร้อมกันไม่ได้เพราะการใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดแต่การนั่งสมาธิเพื่อจิตสงบ ต, ต้องหยุดความคิดเป็นงานคนละชนิดกัน ทำพร้อมกันไม่ได้พ้องแยกกันทําต่างวาระากันเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เรียนพร้อมกันไม่ได้ในห้องเรียนข้ามี่ก็เรียนวิทยาศาสตร์อีกข้ามที่ค่อยเรียนประวัติศาสตร์หลวงตาครับเวลาคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ได้ไปเข้าเราไปซื้อของให้ตลอดเลยเราได้บุญหรือเปล่าครับ ไปซื้อของให้ใครซื้อของคนที่ไปปฏิบัติธรรมกทท็เราก็ได้ทำบุญทาทานเราก็ได้ทำบุญทาทานซื้อของให้เขาแต่เขาเขาจะได้บุญที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาซึ่งเป็นบุญที่มีอำนาะจมีพลังมากกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานทานยาทางระบบประสาทแล้วง่วงนอนตื่นเช้าทําวัดเช้า ตีสไม่ได้แต่ปฏิบัติตอนกลางวันได้ถึงสองทุ่มเป็นบาปไหมครับไม่บาปเพลงอย่างจะไม่ได้บุญนั่นเองเพราะไม่ได้ปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติมันก็จะได้บุญถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้บุญจากการปฏิบัติแต่ไม่บาปบาปต้องเกิดจากการไปฆ่าสัตว์รัดทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดอะไรเรียวบาป ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาและความเห็นที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการการุณยฆาตครับการุณยฆาก็คือการฆ่าคนไฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นบาปผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฆ่าเพราะฆ่าเพราะเป็นอาชีพฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพเราอย่งนี้ก็บาปอันเรียกการุณยฆาตเหมฆ่าเพื่อเพื่อเลี้ยงดูตัวเราเองเฮ้ฆ่าคนอื่นเราเมตตาเรากรุณาตัวเราด้วยการไปฆ่าคนอื่นนี้มันก็บาป เ, เดียวกันไม่ว่าจะค่าด้วยเหตุผลกลไกในทางศาสนานี่เอว่าบาปทั้งนั้นไม่ควรกระทำพี่ชายผ่าบาบพาสดสวใจนอน ICU มาเดือนกว่าแล้วครับอยากขอกาลังใจครับก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธทักใจให้สงบหลังจากใจสงบออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาทางปัญญาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโรพ้นกบ แก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นั่งสมาธิแล้วชอบเผลอหลับครับจะแก้อย่างไรครับก็รู้คือนเดินแทนเดินสมาธิแทนที่เรียกว่าเดินจงกรม<อ>ถ้ายังหลับอยู่เก็ต้องกินอาหารให้น้อยลงอย่าอย่ามานั่งสมาธิตอนที่เราเพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆถ้าอยากจะนั่งสมาธิไม่หลับก็นั่งตอนที่ก่อนจะกินอาหาร จิตผู้รู้ที่ดูตัวใจที่เห็นตัวใจตัวจิตผู้รู้คืออวิชชาใช่ไหมครับผู้รู้แบบนี้ตัวใจควรทําเช่นไรครับไม่ใช่อวิชชาหรอกจิตผู้รู้ก็คือผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันเป็นผู้รู้เฉยๆส่วนอวิชชาหรือปัญญานี่มันเป็นเิเลรและเป็นธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในใจเราเองทีนึงถ้าเราไม่มีธรรมส่วนใหญ่เราก็มังจะสร้างสร้างเิเร ข, ขึ้นมาเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมา ที่จะมาดูความจริงได้เราก็มักจะดูความดูความไม่จริงกันดูเพราะใจเรามีอวิชชาความหลงครอมงมอยู่แล้วมันก็เลยจะคิดอะไรก็จะคิดมันจะเห็นอะไรก็จะเห็นไปตามอวิชชาให้เห็นเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นเที่ยงเป็นของที่เที่ยงเห็นว่าเป็นของเราตัวเราอย่างนี้อันนี้คือความเห็นของอวิชชาแต่พอเรา ศึกษาธต ร, รมะพระพุทธเจ้าบอกว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เอาวิชาคิดความจริงก็คือมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเป็นทุกข์หมดถ้าไปยึดไปติดไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นธรรมส่วนจิตก็เป็นผู้รู้ก็รู้แล้วแต่ว่าใครมาสอนถ้ากิเลสสอนก็รู้ตามกิเลสถ้าธรรมะมาสอนก็รู้ตามธรรมะ การเจริญสติคืออะไรมันคือการให้มีสติทุกขนาดจิตและทําให้นานขึ้นดีขึ้นหรือครับแบบนี้เราจะเป็นคนลืมอะไรยากใช่ไหมครับเพราะรู้ทุกวินาทีว่าจะทํำยังไงถึงถ้าลืมก็นึกออกได้เร็วแบบนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องอันนี้ก็เป็นอันที่สองส่วนหนึ่งมันยังไม่ขี้หลงขี้เรื่องแต่มันยังมีมากกว่า น, นั้นการเจริญสติก็คือลดความคิดให้น้อยลงคิดเท่าที่จําเป็นและจะทําให้ใจเบาใจเย็ยนใจสบายขึ้น การนั่งสมาธิก็จะสามารถทําใจให้นิ่งสงบไม่คิดได้เลยเข้าฌานได้พอเข้าฌานได้ก็จะพบ ก, กับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงการกรวดน้ําจําเป็นต้องใช้คํำกรวดน้ําหรือเปล่าครับก็ใช้ขวาคิดอย่างนั้นก็คิดในใจนะจ ว, ว่าเขาทิศบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ล้องรับไปแล้วก็จบ แต่บางทีคนมันคิดไม่เป็นเาา้าก็เลยอาศัยคนที่เขาให้เขาแต่งขึ้นมาให้ให้ไปท่องมีบทมีบวท ส, ว ด, สวดอะไรกวนน้าให้ให้ให้ท่องแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องใช้บทคาถาที่เขาเขียนเห็นแต่วลึกภายในใจว่าเราขอส่งบุญส่วนนี้ไปให้กับคนนั้นคนนี้ก็สําสเร็จประโยชน์ นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหลุดออกไปบ้างก็พากลับมาพุทโธจนมีครั้งหนึ่งรู้สึกว่าร้อนก็รู้ว่ามีเวทนาร้อนก็พุทโธต่อสักพักเหมือนร่างกายเป็นมวลก้อนๆ ก, ก็รู้เฉยๆแล้วพุทโธต่อสักพักพอเสียงนาฬิกาปลุกดังก็ยังเป็นมวลมวลอยู่ก็เลยลืมตาออกจากสมาธิมาแต่ไม่รู้สึกกลัวนะครับแบบนี้ถูกต้องไมครับก็ยังไปไม่ถึงความสงบยังต้งทำต่อไปคือมีมสติเนะี่ยมีพุทโธอยู่เรื่อๆถูกต้องนะครับ แล้วก็ไม่ไม่ให้ไปความสนใจกับสิ่งไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเปิดําพุทโธอยู่ให้กอติอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตสงบถ้าจิตสงบแล้วทุกอย่างมันจะหายไปจิตก็จะว่างขึ้นมาเย็นสบายขึ้นมายังไปไม่ถึงเป้าหมายจนปลายปลายทางต้องทำต่อไปเชา้าไม่ได้ใส่บาตแต่ทําบุญกับแม่แทนโดยการให้เงินแม่เป็นบุญที่จะทดแทนการใส่บาตได้ไหมครับ ได้ได้เริ่มต้นสอนธรรมะในเด็กเล็กควรเริ่มสอนอย่างไรครับก็สอนให้เขามีสัมมาคารวะก่อนแล้วก็สอนให้เขามีความเมตตาไม่เดียดเรียนไม่ไปทําลายสัตว์นะไม่ไปไม่ไปเอาของขไปขโมยของข ค, นคนอื่นแล้วกใ็ให้พูดความจริงไม่ให้โกหกสำหรับเด็กก็ควรจะสอนแค่นี้ไปก่อน สอนำบุญทำทานพาเข้าไปใส่บาตรพาเข้าไปทําบุญอะยรให้เขาได้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการทําบุญว่าเป็นอย่างไรพ่ไปเขาโตขึ้นเขาจะได้ไปทําองเขาเองได้การนั่งสมาธิแล้วยังได้ยินยุงบินอยู่แล้วต้องทอํายังไงให้จิตสงบต่อครับเพราะว่ามักจะกลับมาห่วงกายตลอดครับก็ต้องยอมให้อยู่บรรยากันแล้วก็ ให้อยู่กัพุทโธถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับกับเสียงยุ่งถ้าดูร้อก็ดูร้อต่อไปขอให้มันกัดไปคิดว่าบริจาคเมื่ให้มันไปก็แล้วกันทําบุญทำทานเลยทาไมต้องทำเนสัตชิกครับถ้าเป็นคารวาสควรทํำไหมครับแบบนี้ถ้าระหว่างวันเราง่วงสามารถนั่งหลับได้ไหมครับถ้าง่วงนั่งหลับก็เป็นอนหลับไันก็ยังดีกว่าแต่ที่นั่งหลับก็พราะจะได้ไม่หลับนานมาก คือถ้าเราถึงสามัญญาบทเราจะไม่เอนเราจะไม่นอนเพราะว่าถ้านอนแล้วมันจะมันจะนอนยาวการที่เราถึงในสัจจินี้เพื่อจะให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้ามีเวลาแต่มันไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันหลับอยู่มันก็มันก็เท่ากัน่ะก็เหมือนกันไม่ได้ในสัจจิกเท่าไหรในสัจจิ้มันต้องตื่นมันต้องไม่หลับถ้าหลับก็ต้องขึ้นมายืนถ้านอนแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดิน ่นการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันได้อนิสงหรือได้สมาธิครับได้สติก่อนสมาธิถ้ายัางไม่ได้ถ้าขั้นสวดมในต์นี้ใจไม่ทาให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ได้อย่างมากก็คือสติคือใจยามีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้อาอจะให้ได้สมาธิต้องลองอากส่วดมนต์เสร็จก็นั่งนั่งหลับตาดูลงหายใจต่อหากไม่เรียนรู้ภาษาบาลีสามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับได้สมัยนี้คำสอนของพระเจ้าไ ม, ม่แปลมันจากภาษาบาลีเราใช้อ่า น, นเป็นภาษาไทยได้และถ้าเราปฏิบัติมรรคแที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้เราก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ อาจารย์อ่านจากภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมครับอาจารย์เออแล้นก็แปลภาษาอังกฤษเพราะตอนนั้นภาษาไทยเราก็เราจบแค่ป .4 นะ <c oughs> แล้วเราเดินไปอยู่เมง น, น, นอกไปเรียนมาอยานั่นอห้าปีภาษาไทยในค่นนามคิดของเรู้สึกมันมันเป็นสนิมแล้วเรียองเปราชาศัพท์นี่อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยเพระโอษฐกันอะไรต่ตางๆนี่แล้วคําภาษาไทยกับคำภาษาธรรมะบางทีมันมันมีความหมายต่างกันเช่นเมตนาเนี่ย ภาษาไทยก็หมายถึงมีความสมเพศเวทนาภาษาธรรมนี่แบบความรู้สึกมันต่างกันมีความเรื่องเลยแต่ภาษาอังกฤษนี่เขาแปลตรงตัวเลยเวทนาคือว่า feeling เลยเพราะอ่านปับเข้าใจไม่ต้ามานั่งในสงสัยว่าเวทนานี่เป็นอะไรสมเพศเวทนาหรือว่เรืองความรู้สึกอ่านภาษาอังกฤษนี่มันดีมันตรงตรงประเด็นเป๊ะเลยเพราะเอาตัวเข้าความหมายของตัวอักษรเมื่อมาแปลเลยเขาไม่ใช่ แต่ของเราเนี่ยเาไปใช้ภาษาใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันแต่ความหมายต่างกันเวทนาทางภาษาไทยกับเวทนาทางภาษาธรรมมันคนละเรือ่องก็งงได้สังขารภาษาไทยกับสังขารกับภาษาธรรมก็ต่างกันเองครับใช้เงินเอาเงินไปใส่บาทได้ไหมครับก็ผู้ตามหลักธรรมพ่อวินัยเนี่ย คือพระรับเงินรับทองกับมือไม่ได้นะถ้าอยากจะถอยเงินกับพระนั้นต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่ก้อนเดินมาด้วยหรือถ้าเห็นว่าไม่มีลูกศิษย์มาก็อย่าไปถอยเงินเท่านั้นถอยของแทนถวายข้าวถวายของไปให้แต่ถ้าบางองค์ท่านรับเงินก็ถวายท่านไปก็ได้ท่านจะผิดพระวินัยก็เรื่องของท่านฮะแต่ถ้าพระอยากจะเท่งพระวิ น, นัยพระก็บอกว่าไม่รับเงินจะ เพราะวินยห้ามให้รับกลับมือถ้าอยากจะให้ก็ต้องให้กับลูกศิษย์ฝากกับลูกศิษย์ไว้แต่บางทีมินทบาทมันไม่มีเวลาพูดเมันคนมันเยอะก็เลยปล่อยเลยตามเลยบางคนจะใส่ฟ้าบาทใส่ไปในบาทฝากลูกศิษย์ก็ไปไปไปเป็นตามัธยาสสยเพราะประเด็นสําคัญจริ ง, รงๆมันไม่ใช่อยู่ที่การรับมันอยู่ที่การใช้มากกว่าถ้าเรารับแล้วเราไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นการใช้ที่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าเอามาใช้แล้วทําให้เกิดโทษกับตัวเองแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ควรให่เอาเองินมาซื้อของฟุ่มเฟือยมาซื้อของที่เป็นเหมือนกับยาเสพติดซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มชูกําลังอะไรนี่มันเดื่มงนี้มันก็ไม่ถูกเขามีไว้ให้เพื่อซื้อปัจจัยสี่ของสมรราบริโภคถ้าไม่กัดอาหารก็ ใ ห, ให้ซื้อหามากินถ้าไม่มียาก็ซื้อยามากินอันนี้ถ้าใช้แบบนี้มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ถ้ามาใช้เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหามันก็เป็นโทษมันก็ไม่ควรใช้ดังนั้นประเด็ น, ม, นมันอยู่ที่การใช้มากกว่าแต่เขาไม่ไม่พูดกันเขาเก็ามาพูดแต่เรื่องของการรับอย่างเดียวแต่เขาก็มีวิธีรับอยู่ดีไม่รับกับมือมันก็เขาก็มีวิธีบอกหมายเลขบัญชีนะเพื่อติด มี QR ด้วยครับอาจารย์เรนนี่มีโค้ดมี QR โค้ดให้ได้เอัองั้นประเด็นไม่อยู่ที่การรับหรอกมันอยู่ที่การใช้มากกว่าเอาไปใช้ถูกต้องไหมเอาไปใช้ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตนกับาศาสนากับสังคมหรือเปล่าถ้าไปทําบุญทาทานต่อก็ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมไปชงข้อโลกอย่างน้องตาท่านได้มาถ้าเข้าไปส่งข้อโลกอย่างเงี้ยเอาไปให้ทางโหลงอย่างเงี้ย ท่าก็รับของท่านไปหากพยายามรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้สภาวะอารมณ์ตัวเองโดยที่การปฏิบัตินั่งสมาธิหรือเดินจงกรมน้อยอยากทราบว่าระยะยาวผลเสีย จ, จะเป็นอย่างไรครับมันก็ไม่ก้าวหน้าท่าต้องปฏิบัติให้มากเพราะเมื่อปฏิบัติมากการกาจัดกิเลสกบจัดได้มากขึ้นไปตามลำดับ เหมือนกับการรับประทานยาให้เรามองการปฏิบัติเหมือนกับการรับประทานยาถ้าเรารับประทานยาตามที่หมอสั่งครบโรคภัยแคเจ็บก็จะหายตามเวลาที่กําหนดไว้แต่ถ้าเราไม่กินตามที่หมอสั่งกินน้อยขี้เกียจกินมากลื ม, มกิน้ากโรคภัยมันก็ยืดเยื้อะไปมันก็ไม่มันก็ไม่หายไม่อยากเกิดแล้วต้องอธิษฐานจิตยอย่างไรหรือปฏิบัติตนอย่างไรให้สมหวังครับ ก็ที่แถวมันต่อไปนี้จะไม่หาไม่หารากนุน ส, สรเสนสุขก็จะไปหาธรรมไปบวชวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดที่ตรงที่สุดก็คือเนี่ยไปบวชมากไปบวชเพื่อไปปฏิบัตินักแปดดุศินสมาธิปัญญาเพราะถ้าเป็นนักบวชแล้วมันมีเวลาให้ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นคารว่ามันเวลาน้อยนักบวชนี้จะเหมือนเหมือนกับการขับรถขึ้นทางด่วน ถ้าเป็นคาราวาสก็มันขับรถอยู่ใต้ทางด่วนนะใครังไปถึงก่อนใคร อ, อยู่บนทางด่วนกันอยู่ใต้ทางด่วนขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับสอบสามสภาวะธรรมที่จิตว่างแล้ววางอุเบกขากับสภาวะพรมลูกฟักมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับไม่นอนสภาวะพรมลูกฟักเรี้เป็นไงเพิ่งเพิ่งได้ยินมาเนี้หมอรู้ไหมเป็นงไงไม่ทราบครับใช่ครับ ถ้าจิตเป็นอุเบกขา ถ, ถูกต้องนะวางเฉยกับทุกอย่างเฉยกับสัรนสะเทืนนูนนินทาเช่นใครสัรนสะเทนก็เฉยไม่ได้ดีใจใครนินทา ก, ก็ไม่เสียใจเฉยเฉยกับสภาพธรรมทั้งปวงเหมือนกับอหยด น, น้ำํำบนใบบัวจิต ท, ที่มีอุเบกขาเหมือนใบบัวส่วนสภาพว่ธรรมต่างๆก็เหมือนหยดน้ํา มันมาสัมผัสกับใบบัวแต่ใบบัวไม่เอาซึมเข้าไปในใบบัวใบบัวก็เพียงแต่สัมผัสเฉยๆไม่เหมือนกับหยดน้ำกับกระดาษซึมเนี่ยกระดาษซับกระดาษซึมเนี่ยพอหยดไปปั๊บนี่มันก็จะดูดไปเลกระดาษอันนี้ก็เหมือนจิตใจที่ยังไม่มีอุเบกขาพออะไรมาสัมผัสปับ๊บก็จะเกิดปฏิกิริยาลักลักชางโก ล, ลงขึ้นมาทันที ใส่บาตไปแล้วลืมกรวดน้ําอย่างนี้ได้บุญไหมครับบุญกันได้แต่คนนับไม่ได้บุญเพราะเราไม่ไม่ส่งไปให้เขาการกรวดน้ำเหมือนส่งของไปทางไปชนีเรามีของแต่เราไม่ส่งไปคนรับก็รับไม่ได้ไม่รับไม่ได้ หากนับถือพุทธมหายานเช่นพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆไหว้เจ้าไห ว, ว้บรรพรบุรุษ ต, ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื้อสายจีนเคารพนับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นการปฏิบัติเชื่อถือที่ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าการไหว้เฉยๆไม่ได้ทำให้เกิดผลอะไรขึ้นมาการไหว้นี่เป็นเพียงแต่อาการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เราไหว้ แต่สิ่งที่เราไหวนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาสอนเราอะไรไม่ได้เราต้องไปไหว้คนที่เขาเป็นครูอาจารย์เราไหวพ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ เ, เ, เพื่อจะได้แสดงว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในคําสอนแล้วเราจะได้เอาคําสอนท่านมาศึกษามาปฏิบัติต่ตอไปถึงจะได้ประโยชน์ไหว้เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นแสดงความเคารพท่านนั้นเองถ้าจะได้ประโยชน์ก็ต้องเอาคําสอนของท่านมา มาศึกษามาปฏิบัติรักษาศีลต้องรับศีลทุกวันไหมครับและต้องรับกับพระไหมครับไม่ต้องหรอกการรักษาศีลอยเราล้วรู้ว่าศีลมีกี่ข้อแล้วก็ตั้งใจรักษาไปกระจบไม่ต้องไปขอพระไปขออะไรอ ย, ารย่างไรนั้นศีลอยูที่การรักษาไม่ได้อยู่ที่การอยู่ที่การขอขอมาแล้วไม่รักษาก็ไม่มีศีลอยู่ดี อันนี้คำถามจากสมาชิกบุธิสภานะครับร อ, าารรอาจารย์พิศลายุทธะอาจารย์สอนว่าการไม่นอนในบางคืนเป็นการกระตุ้นความเพียรเรื่องนี้นับว่าหลักที่ดีมากๆเพราะคนเราในภายภาคหน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างอาจมีทั้งเรื่องง่ายๆและเรื่องยากๆหากไปเจอเรื่องยากเราจะได้มีความพยายามเพราะเราได้ฝึกความเพียรมาแล้วเราจึงไม่กังวลกับความยากนั้นๆผมเข้าใจแบบนี้ไม่ทราบถูกต้องไหมครับ ถกต้องนอกจากการกไม่นอนแล้วก็การไม่กินก็ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยความอดทนเช่นอบรมอาหารเป็นต้นหรือการเดินจงกรมหรือทําอะไรให้มันเกิดความทุกข์มากๆเช่นเดินทีละลายชั่วโมงหรือนั่งสมาธิทีละลายชั่วโมงอันนี้เป็นการฝึกความอดทนที่เราจะต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากต่างๆพอต่อไปเราเจอความทุกข์ยากลําบากแล้วจะสามารถผ่านได้อย่างเฉลวย S <S ก็มือนฐานเหมือนเหมือนฐานเขาต้องฝึกซ้อมก็ต้องอยู่กับดินนอ น, ด น, ด น, นอนกับดินกินกรบใจนอนกอดกอดอาวุธไว้ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เพราะถ้าเขาไม่ฝึกอย่างนี้ไว้เดี๋ยวเวลาเขา้าเข้าสนามลบเขาเขาจะทําตัวเองไม่ได้สังขารไม่เอือ้อตั้งพุโทโธแทบไม่ไหวจะใช้อุบายใดครับเรื่องสังขารร่างกายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการใช้พุโทโธะ พุทโธนี่นอยู่ในความคิดสังเป็นสังความคิดีสังขารความคิดอันนี้มันไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรามตามร่างกายเพียงแต่เราขี้เกียจเทา้นเราก็ก็เลยไม่เกิดจะจะจะไปยากให้คิดจากคําว่าพุทโธพุทโธเราคิดเรื่องนี้ได้ทั้งวันใไมั่ตั้องจากตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ความคิดของเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บเราก็คิดได้ตลอดเวลาแต่พอมาให้คิดพุทโธพุทโธนี่กับคิดไม่ออกกัน วกิเลสมันมันมันควางไว้มันไม่มันไม่ชอบไม่อยากให้เราคิดพูดโธพอถ้าเราคิดพูดโธกิเลสมันจะตายมันก็เลยไม่อยากให้เราคิดเราคิดดูสิลองพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้นี้เองคนยุคก่อนจะต้องใช้หลักธรรมะข้อใดในการเข้าใจเด็กยุคเจนอัลฟาเด็กที่เกิดมามีสิ่งแวดล้อมคนละแบบกับคนเจนอื่นๆ อ, อย่างน้อยมีสมาร์ทโฟนเป็นของเล่นอยู่เรียบร้อยครับ อ๋อเราก็ต้องดูดูดูดูที่เรื่องของหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คือศีลและธรรมเองดูแต่ว่าเขามีศีลและธรรมหรือเปล่าก็มีความเมตตาหรือเปล่าส่วนอย่างอื่นนี่มันเป็นของที่มันเป็นเป็นเปิกมันไม่มันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่ามีความเมตตามีศีลมีธรรมหรือเปล่ามีทานหรือเปล่ามีอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองเาสอนเขาถ้าเขาไม่รู้ควรจะสอนเขาพาเขาทา การเป็นโรคที่ทุกคนเป็นเกิดจากกรรมที่ทําใช่ไหมครับก็มีส่วนนะเพราะว่าถ้าเราทําทํากรรมทําร้ายผู้อื่นเราจะต้องกลับมาใช้กรรมเช่นไปไปทําให้ผู้อื่นเขาขาขาดเนี้ชาตินี้เรา จ, จะเกิดมาแล้ว จ, จะมีปัญหารเรื่องขาก็ได้แต่มัไม่ใช่เป็นเหตุอย่างเดียวยังมีเหตุอย่างอื่นอีกแล้มันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่มามีผลกระทบต่อร่างกายของเรา แต่กรรมบุญเมื่อเืดีบาปเมื่อเดีมันก็มีมีส่วนกระทบกับร่างกายของเราถ้าทําบุญมันก็จะมีส่งผลดีต่อร่างกายของเราร่างกายก็จะมีสุขภาพแข็งแงรงอายุยืนยาวนานรูปร่างหน้ า, น า, นาตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสอันนี้กิจากอนานาจบุญถ้าบาป ก, ก็จะมีหน้าตาอัปลักษณ์ไม่สวยงามมีอายุสั้นมีโรคภัยไข้ 7, เจ็บเบียดเบียนอังารอาจจะไม่ครบสามสิบสองเป็นต้นอันนี้ก็มีสว่วน แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยอื่นด้วยกรรมพันธุ์กรรม็มีการบริโภคสิ่งต่างๆหรืออุบัติเหตุมันมีหลายอย่างที่มันมีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของร่างกายของเราไม่ใช่ไม่ใช่แต่บุญกับกรรมอย่างเดียวใบไม้ในกรรมมือหมายถึงธรรมะข้อใดบ้างครับก็ธรรมะที่มีที่พระเจ้าทรงแสดงตลอด45พันศาเนี่ยก็แปมืน หลายหมื่นสี่พันวัฒนธรรมขันเนี่ยเนี่ก็ใ บ, บไม้ในกำมือคือสิ่งที่พระเจ้าอามาสอนแต่สิ่งที่พระเจ้าจที่รู้ที่ไม่ได้ามาสอนนี่มันมากกว่า น, นี้เยอะแยะมือนกับใบไม้ในป่าแต่สอนไม่มีประโยชน์กับผู้ผู้ศึกษาก็เลยไม่ามาสอนให้เสียเวลาสอนแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จําเป็นต่อนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ให้เขาให้เขามีดวงตาเห็นธรรม เขาก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นใบไม้ในป่าเองไ ม, ไม่ต้องไปบอกเขาพาย์ครับแล้วมีพระอาหารหันตุกองค์เห็นใบไม้หมดป่าไหมครับไม่รู้กัอนกัพูดเัิดบ้านต้องรู้มไม่ได้คือปัญญามมีอาจจะไม่เท่ากั น, นมีมากน้อยต่างกันไป ช่วยคนจนตัวเดือดร้อนแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ก็เป็นแบบพระเวสสันดรมันต้องเป็นเพรพโพธิสัตว์ท่านถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระดับโพธิสัตว์เคยยอมพลีชีวิตยอมยอมพลีความสุขของต น, นเพื่อประโยชน์เสื่อมของผู้อนนี้เป็นลักษณะเองโพธิสัตว์ทาอะไร ม, มักจะทําแบบสุดโตรงทำแบบเต็มที่พระเวสสันดรขุยานเคยปลอดใช่ไหมใครมาขอลูกก็ให้ลูก จะขอเมีก็จะให้แต่พอดีเทวดามาห้ามไว้ก่อนไงถ้าคนอื่นมาพูดนินทาว่าร้ายเราในเรื่องที่ไม่จริงเราจะทําอย่างไรครับไม่เฉยไปนะไม่จริงก็ไม่จริงจริงก็จริงมันไม่ครับมันไม่เกี่ยวกับเราภาวนาพุทธโธ ท, ทุกครั้งที่นึกได้ได้บุญไหมครับ ทุกครั้งที่ดื่นชานึ่งกี่ครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งแค่สองสามครั้งมันก็เหมือนกันก็ได้น้ำสองสามหยดนะพูดง่ายๆถ้าอยากจะได้น้ําเยอะๆก็ต้องตัดเป็นขันใส่ใส่ไปในตุ่มตัดไปทั้งวันอย่างเนี้ยมันก็จะได้น้ําเยอะได้บุญเยอะแต่ถ้าวันนึงเอาแค่สองสามครั้งอย่างที่พระเจ้าถามพระอนนท์ว่าอ น, อนนท์เธอลเลิกถึงความตายวันกี่ครั้งมานานสติอ น, อนนท์ก็บอกว่าประมาณสี่ห้าครั้งครับ เจ้าบอเธ อ, อยังประมาทอยู่เธอต้องลำทุกลมหายใจเข้าออกเลยถึงจะไม่ประมาทถึงจะได้หมุนได้ปัญญารูปภพอารูปภพยังมีกามกิเลสอยู่ไหมครับไม่มีกามนั่นนี่มันอยู่สนับกามะภพเท่านั้นเองผู้ที่เสดกามจะไม่เกิดในกามะภพผู้ที่เสงารูปฌานจะไม่มีจะไม่เสด็จกา ม, กามต่อไป เสรืรูปประชาเรูปประชานี้จะไม่เสื่อกลางเพราะความสุขจากรูปประชาเนื้อรูปประชานี้มันละเอียดกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสรืรร่อมกามแล้วมีโอกาสที่กางมาพบอ่อรูปรพบรูปรพบจะลงมากางมาพบอีกนะครับอาจารย์ครับมีถ้ามันเสื่อมลงถ้าสติหมดกําลังลงพอสมาธิเสื่อมออกมาพอไปสัมผัสเรื่อเสียงกลิดนรสก็อาจจะเกิด ตัณหาได้เพราะมันยังไม่ได้ถูกกาจัดด้วยปัญญาแต่ถ้าไปอยู่ในรูรปภพด้วยปัญญานี่ยจะไม่จะไม่เสือ่อมเห็นผ้านาคาวีเนี่ยท่านจงรักภูษาตัดกามะตัณหาได้หมดอันนี้ท่านจะไม่มีความรู้สึกกับอะไรอีกต่อไปกับกามอีกต่อไปทั้งแม้จะมาสัมผัธตั้ารู้ก็จะเฉยแต่ถ้าแต่ถ้าใช้ใช้สติเข้าสู่ชานนี่ มันยังสามารถวาเวลาออกจากชานนี้กิเลสที่มีการมาตัญหามันยังไม่ได้ตายไปมันก็โผล่ขึ้นมาได้มันทำให้จิตกลับไปเสพการมได้เราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกครับมันก็เราหาจากโกาครคภัยไข้เจ็บ เ, เรารู้จักวิธีรักษาโรคนี้แล้วทุกครั้งที่มันจะเป็นเราก็รักษามันได้แล้วก็มั่นใจ อาจารย์ครับนิมิตกับความฝันต่างกันอย่างไรครับมันเป็นภาษามากกว่าบางทีนิมิตก็เป็นสุบินนิมิตก็แปลว่าความฝันนิมิตที่เป็นกระจากการมีมีกายทิพย์อะไรต่างๆเข้ามาให้เราได้สัมผัสน้เรู้ว่านี้ก็เป็นนิมิตเหมือนกันเพราะฉะนเป็นนิมิตแปล ว, ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตความฝันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิต เทวดาเข้ามาพบเรามันก็เข้ามาพบเราในจิตเหมือนกันเพราเป็นนิมิตเหมือนกันเพราะนิมิตก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตสี่ห้าข้อไหนที่ทําผิดแล้วผิดได้ข้อหรือผิดมากสุดๆครับผนดมางสุดก็คือการฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตเราลงมาก็คือการรักทรัพย์เราลงมาก็คือการมาเพื่อผิดประเพณีเราลงมาก็คือการพูดปลด พราความเสียหายมันจะหนักเบาต่างกันการไปเอาชีวิตของผู้อ่นเนี่ยทำลายชีวิตคนมันหนักมากใช่ไหมเพราะชีวิตมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใช่ไหมการเอาทรัพย์สินไปก็ไม่ไ ม, ไม่ก็มากกว่าการที่จะไปไปมีชู้กับเขาไปไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขาแล้วการพูดปดมันก็ความเสียหายมันก็น้อยลง สวดบทชินนะบัญชรทําไมมันขึ้นมาอีกว่าสวดบทนี้ไม่ดีบาปจริงไหมครับไม่จริงหรับบารส่วนที่จะสวดบทไห น, น, นก็ได้เป็นการเจริญสติเท่านั้นเองเป็นการฝึกสติควบคุมใจไม่ให้คิดเลื่อนเปื่ยพอเราอยู่กับบทสวดมนต์มันก็จะไปชิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ลอยไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ ญาติผู้เสียชีวิตของเราจะได้รับบุญจากการอุทิศบุญนั้นมีเฉพาะเปรตทัตตาปูชะปะชีวิกะเปรตใช่ไหมครับก็ตามตำรานก็อย่างนั้นครับเราต้องเป็เปรตเท่านที่มีที่จะมาขอรับส่วนบุญเพราะอย่างอือนเขาไม่มารับส่วนอื่นถ้าเป็นเทวดาเขาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็หากินเองได้หาความสุขเองได้สตัตว์เลร้ยงช้านเขาก็หาความสุขของเขาเองได้ มีเปรตที่นั่นที่ไม่สามารถหาความสุขของตนเองได้แล้วก็เป็นเปตเป็นเป็นเป็นจิตที่เป็ น, ปนดวงวิญญาณที่มีความเพโหดเพราะมีความโลภตลอดเวลาวิธีแก้ความหดหู่เศร้าหมองที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมครับอาจารย์เราต้องพยายามจลาดสติให้ม า, มากๆฝึกสติตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดให้น้อยทีส่สุดแล้วความเศร้าหมองหดหู่ก็จะน้อยลงไป ให้ลูกโอนเงินทำบุญโดยแม่โดยไม่ใช่เงินแม่ได้บุญไหมครับเงิน้องใครก็เปของคนนั้นเข้าไปบุญก็เป็นของคนนั้นเข้าไปเราบอกเขาให้ทำบุญเขาทำบุญถึงแม้เขาบอกก็จะทำให้แม่แต่ก็เป็นบุญของเขาเป็นเงินของเขาก็เป็นบุญของเขาเขาเป็นคนที่เสียสลัะแม่ไม่ได้เสียสับ อยากพรกะอาจารย์แนะนําการเดินจงกรมต้องเดินอย่างช้าๆหรือว่าเดินอย่างปกติธรรมดาแล้วระลึกพุโทโธพุโทโธในใจอย่างมีสตินึกพุโทโธพุโทโธตามการก้าวเดินครับตาปกติก็เดินแบบธรรมดาปกติไม่ช้าไม่เร็วแต่บางเวลาถ้ามันง่วงอาจจะเดินให้เร็วขึ้นหน่อยก็ได้เพื่อทําให้มันหายง่วงก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตใจว่าคนจะเดินช้าหรือเดินเร็วเอาเวลาจะเดินช้าหน่อยเพื่อจะได้มีสติ เ อ, อกระชับมากขึ้นถ้าเราเดิเนแนงบาทีใจมันน้อยได้ก็เราให้มันเดินช้าๆอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอันนี้ก็แล้วแต่อุบายของแต่ละคนที่จะต้องคิดค่อนหน่อยเองในการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์มีอนิสงส์อย่างไรบ้างครับผู้อื่นจะได้อนิสงส์ด้วยไหมครับไม่ได้หรอกการสวดมนต์โดยหลักก็ให้ได้สติไง ได้ความสงบในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สงบเท่ากับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเพื่ออะไรและเราต้องทําอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์นั้นครับโดยการเดินจงกรมนี้มักจะมักจะทํากับผู้ที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถ้าเขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนใจเขานั่งทั้งวันทั้งคืนมันร่างกายมันทนไม่ไหวนั่งไปสักพักมันก็เมื่อยมันก็เจ็บก็เลยลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทน เปลี่ยนนิยาบทเท่านั้นเองแต่การปฏิบัติก็เหมือนกับนั่งกอมีสติเหมือนเหมือนกับตัดที่เรานั่งตอนนี้เรานั่งเราถ้าเราใช้พุโทโธเราก็พุโทโธไปพอเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเราก็ใช้พุโทโธต่อไปเป็นแต่เปลี่ยนนิยาบทเพื่อมันเทาความความเจ็บของางทางร่างกายเท่านั้นเอง หมอให้ออกกําลังกายสุขภาพจะดีทําไมยังตายเร็วกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายแบบนี้ต้องเชื่อกรรมมากกว่าถูกไหมครับคือเวลาตายนี่มันมีสามันเหตุมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่อย่างใดอย่างห น, นึ่งอย่ันเขาจะมีทจะมีการชันสูตรศพทําไมเเพราะมันมีสาเหตุที่ของความตายมันมีหลากหลายแต่ละคนไม่ใช่อยู่ที่ออกกําลังกายแล้วไม่ออกกําลังกายอย่างเดียวมันมีเรื่องหนึ่งต้องเยอะแยะ คนเราสมัยนี้นะไปนวดหน่อยตายแล้วก็ทอยตายเพราะท่อยก็มีเนี่ยโดยที่ไม่โดยที่ยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเขาตายเพราะอะไรหมอเขาต้องเชิญสูตรก่อนเนายก็ดูเลือดดูอะไรต่างๆสมัยนี้เนะี่ยเป็นหมอยุคทางโซเชียลมันเร็วมากพอเวลปตัดสินได้ทันทีเลยว่าตายเพราะอย่างนี้ไปนวดตายตอ่าไปนี้อย่างนวดนะทุกคนที่เคยเคยนวย การปฏิบัติเนสัชชิกแต่ยังไม่มีสติสมาธิที่แข็งแรงยังนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่แบบนี้จะได้ชื่อว่าเนสัชชิกไหมครับนั่งเปลี่ยนท่าตลอดคืนครับแบบนี้ควรฝึกต่อไปไหมครับคือคำว่าเนสัชชิกหมายถึงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ท่านอนนั่นเองถ้าเราอยู่ในสามมิตรยาบวก็ถือว่าเราได้ทําเนสัชชิกเลวถ้าเรายืนเดินนั่งแต่เราไม่นอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเนสัชชิกอยากบวช แต่เกรงว่าอนาคตจะยังวางอารมณ์ละกิเลสไม่ได้ควรจะปฏิบัติอย่างไรครับก็ฝึกไว้ก่อนเลยฝึกกอนบวชอยู่แบบพระไปก่อนแนละ้วดูสิว่าเราจะสู้งกิเลสได้ไหรือไม่ถ้าเราซึ้งได้เราก็เราก็ไปบวชได้ถ้าเราชิดกับการอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ใช่พุทโธในช่วงเวลาที่เราหมดลมมันจะยังรู้ลมไหมครับมันจะรู้ตลอดเวลาถ้ามันอยู่กับลมนะ พอรอหมดล้วก็รดองร้องหมดนะดูแล พ, พ่อป่วยที่ติดเตียงที่บ้านกับการไปปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่วัดอันไหนได้บุญครับคือจะแบบมันจะเลือกไม่ได้บางทีมันบางทีอันไหนสาคัญกว่าเราก็ต้องทาอย่างนั้นก่อนถ้าพ่อแม่ไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลก่อนถึงแม้ว่าการไปปฏิบัติทำที่วัดจะได้บุญมากกว่าตอ น, นั้นเราก็ต้องรอไว้ก่อน อย่างผ้าอนนนี้ต้องรับใช้พระพุทธเจ้าก็รับใช้พระพเจ้าไปก่อนถ้าไปไปรียบเวทปฏิบัติแค่สามเดือ น, น, น, น, น, นบ้านมันก็บรูรลุบรรดาหลานได้แต่ผ้าอ น, นุ่ราต้องยี่สิบกว่าปีรอให้พระเจ้าตายไปก่อนแล้วค่อยไปไปเปเวทแต่ ป, ปฏิบัติธรรมนั้นแต่ละคนมันก็ต้องดูที่ภาวะความความจําเป็นว่าอย่างไ น, นจำเป็นก่อนเราก็ต้องทําสิ่งที่จำเป็นก่อน ไม่ใช่ทิ้งพ่อแม่ให้ตดโดดเดี่ยวเดียวดายให้ตายไปแล้วเราว่าไปปฏิบัติมันก็ถึงมันจะได้บุญมากกว่าในการปฏิบัติมันก็ไม่ถูกว่า จ, จะไม่อ จ, จะปฏิบัติแล้วไม่ได้บุญก็ได้เพราะพอไปปฏิบัติจริงๆกใจก็อาจจะรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทอทิ้งพ่อแม่หรือเปล่ามันก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีงั้นเรควรจะทําทกิจที่เราจําเป็นจะต้องทําให้มันทำในรูลเรื่องไปก่อนแล้วค่อยไปทำกิจอื่นต่อไปจะดีกว่า การอดอาหารเราดื่มน้ําแทนได้เรื่อยๆได้หรือเปล่าครับน้ํานี่ไม่ได้ห้ามดื่มได้ทั้งวันเลยดื่มได้ตลอดเวลาน้ําปล่านะวารอเบคขาสุดท้ายมันก็ดับสู่สภาวะจิตปกติแค่นี้เลยครับก็ไม่รู้จะช่วยังไงก็อาจจะเป็นการบอกกกว่ามีอุเบคขาแล้วเดี๋ยวอุเบคขาหมดแจิตก็กลับมาเป็นปกติ คือไม่มีอเบคาการชนะความโกรธคือการรับรู้สิ่งนั้นแล้วไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรเลยคืออารมณ์วางเฉยไม่กลับมาสงสัยในปัญหานั้นอีกและอภัยให้ผู้นั้นเรียกว่าชนะได้ไหมครับได้ถ้าเราไม่โกรธก็แสดงเราชนะความโกรธได้ใครก็ด่าแล้วเราก็เฉยกับยิ้มให้เขาสงสารเขาเห็นว่าเขาต้องด่าคนอื่นแล้วถึงยังมีความสุขก็สาธุไป ระหว่างสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิกับสวดมนต์หลังนั่งสมาธิอันไหนถูกต้องครับส่วนใหญ่เราจะสวดก่อนนั่งสมาธิเพราะว่าสติเราตอนที่เราเริ่มต้นมนันอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิได้เราก็เลยอาศัยการสวดมนต์เพื่อสร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้งั้นถ้าเรานั่งสมาธิได้เราไม่กลับมาสวดมนต์ละเพราะจิตมันมีสติที่จะเข้าสู่ความสงบได้แล้ว ถ้ายังนั่งแล้วมันยังฟุ้งซ่านอยู่อย่างคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องี้อยู่ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ระงับความฟุ้งซ่านไว้ก่อนพอเจถายฟุ้งซ่านแล้วค่อยดึงลมล้วพุทโธต่อไปแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้การเจ็บป่วยหาหมอรักษาไม่หายคือกรรมเก่าหรือไม่ครับมันมีหลายสาเหตุกันอย่างที่พูดร่างกายเอี ก็ให <S an> ้ถ <S an> ือเป็นว่าร่างกายนี่มันมีแค่สามโลกเท่ที่ต้องเจอกรคืโลกที่หนึ่งก็เป็นแล้วก็หายเองไม่ต้องรักษาก็หายเป็นเป็นหวัดนี่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาพักผ่อนหลับนอนได้พอสักสี่ห้าวันมันก็หายเองโลกที่สองก็เป็นแล้วต้องรักษาต้องยาหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่ก็จะไม่หายแล้วโลกที่สามก็คือพอเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ไม่ค่าแค่สามโลกนี้ก็พอ ไม่ต้อไปสนใจเกิดจากอะไรลรอกให้เรารู้ว่าเป็นโลกชนิดไหนก็พอแล้วก็ทําใจให้อยู่กับมันไปก็รักกันปัญหาก็จบไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเกิดจากกรรมเก่าทํานู่นทํานี่มาอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาเปล่าเไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะเราไม่รู้เราจะไปย้อนอดีตได้ไงแล้วมันมีเห็นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่มันไม่เกี่ยวกับกรรมก็มี การดูแลผู้ป่วยที่พิการถือว่าเป็นการเบียดเบียนหรือไม่ครับไม่เป็นการเมตตาเป็นความการุณาเป็นความสงสาร<ม>ช่วยเหลือเขา<ม>เขาดูแลตัวเขาเองไม่ได้ต่อไปก็คือต่อไปเราเวลาเราเป็นแบบเขาก็อาจจะมีคนมาดูแลเราก็ได้หากเรามีที่ดินทําบ่อให้เช่าเลี้ยงกุ้งขายเราบาปไหมครับ เ้าไม่บาปถ้าเราไม่ได้เป็นคนได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงกุ้งเขาเลี้ยงกุ้งก็ไปคนที่ทำนะอยู่ที่คนทําแต่ถ้าเราอยากจะเพื่อให้มั่นใจก็เวลาก่อนจะให้เขาเช่ า, ชาก็ต้องบอกก่อนจะไปทําอะไรถ้าเอาไปทําไม่ใช่เป็นสมาชีพก็ปฏิเสธไปจะดีกว่าเพื่อเราจะได้สบายใจ การโกรดน้ำจำเป็นต้องใช้น้ำไหมครับอธิษฐานในใจผู้ร่งรับจะได้ไหมครับไม่ต้องใช้น้ำนใช้จิตใช้ความคิดในใจเราก็พอถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังโกรธแต่ข่มจิตไม่แสดงออกตามอารมณ์โกรธนั้นถือว่ามีสติหรือมีปัญญาครับคนมีปัญญามีอารมณ์โกรธอยู่ไหมครับมีส่วนใหญ่จะเป็นมีสติถ้ามีปัญญาจะไม่เกิดความโกรธ ว่าปัญญารู้ว่าเหตุของความโกรธก็คือความอยากนั่นเองเฉั้นคนที่มีปัญญาพยายามจะตัดความอยากเช่นอยากให้เขาทาอย่างนั้นอยาให้เขาทำอย่างนี้ก็รู้ว่าถ้าอย่างแล้วเดี๋ยวเกิดก็ไม่ทําตามที่เราอยากเพราะเราก็จะโกรธเขาได้ก็อย่าไปอยากนี่เรียกวาใช้ปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาเราใช้สติพุทโธพุทโธมันก็ระงับความโกรธได้เป็นพักๆไปเป็นน้ําเนื้อๆไปชั่วชั่วครั้งชั่วคราวไป คราวหน้าก็อาจจะโกรธนึ่มเดียวกันอีกได้เพราะถ้าเรายังมีความอยากอยู่ถ้าเราฆ่าสัตว์ในวันพระเราจะบาปเป็นสองเท่าไหมครับไม่หรอกเท่าเดียวเหมือนกันถ้าฆ่าสองตัวบาปสองเท่าแต่ฆ่าตัวเดียวมันก็บาปเท่าเดียวมันไม่ได้ที่วันอยู่ที่จำนวนสัตว์ที่เราฆ่าคุณพสชรวัตรบอกว่าลูกพิจณา การสัมรวมกายวาจาใจฟังคิดว่าง่ายครับแต่ลูกพิจารณาว่าปฏิบัติยากนะครับใช่เพราะใจเรามันไม่มีสติมันชอบลอยไปลอยมามันไม่ค่อยสัมรวมอยากจะพูดก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทําต้องฝึกสติให้มากขึ้นแล้วการสัมรวมกายวาจาใจก็จะง่ายขึ้นฝึกสติให้สตินี่ เ, เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจ ลูกวัยกลางคนเลี้ยงชีพด้วยเงินที่แม่ให้จากการทำงานของพ่อแม่พี่น้องโดยไม่ช่วยทำงานเป็นบาปไหมครับไ ม, ไม่บาปหรอกเขาไม่ได้บุมเท่าไหร่ถ้าเขาไม่ช่วยอาหารมีส่วนผสมของเหล้าถวายพระได้ไหมครับและถ้าทานเองผิดศีลข้อห้าไหมครับถ้าเป็น ถ้าพูดตามความมันจริงก็มันก็ผิดเนี่ยถ้ามีแม่ตยลดเดียวก็ผิดศีลคือห้ามเดือดสลายามื่เขาไม่ได้บอกว่าจะนวนกี่หยดถึงไม่ผิดก็เ <c oughs> <c oughs> ลยถือว่าผิดหยดเดยวก็ผิดแต่ไในเชิงปฏิบัติบางทีก็มันก็จะมันไม่มีผลกระทบอะไรก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ผิดว่าการเดือดสลานี้ก็เพื่อการไม่ให้เดือดสลาก็เพื่อให้เรามีมีสติรักษาใจเราไว้ทั้งเอง ถ้าเรากินอาหารที่มีสุราผสมอยู่ด้วยแล้วเราไม่เกิดอาการมึนเมามันก็ไม่น่านจะผิดตามแนวทา ง, ทางาการปฏิบัติทางผลที่เกิดจากการปฏิบัติแต่ถ้ า, าพูดทางทางทฤษฎีตามตามหลักของศีลมันก็ผิดห้ามดื่มสุราแต่ที่เราไม่ดื่มสุราเน่เรากินอาหารจะว่าไงไก่แช่เล่าของเงี้ยครับอาจารย์เจ้าแช่มา เมื่คนอยากจะกินมันจะมันอยาจะเรียกเสีงมัน ก, มนก็มันก็หาวิธีคับกาใช่ครับผมสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเทศพระสาวกฟังเป็นหมื่นคนทำไมพระได้ยินเข้าใจปหรือว่าเป็นโดยปฏิหารของพระพุทธเจ้าครับ <laughs> <laughs> เราก็สงสัยเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เราไม่อยากไปสงสัยครับ <laughs> กาบเรียนถามในการบริกรรมภาวนาเมื่อคิดจะเริ่มปฏิบัติมันจะมีเริ่มกระบวนการเพ่งแน่นหน้าอกแต่ก็รู้ตัวครับว่ากาลังเพ่งมันเลยแน่นแต่คือไม่ทราบว่าจะคลายการเพ่งนั้นอย่างไรกับอออุบายครับก็ไม่ทราบเพ่งอะไรที่หน้าอกถ้าเพ่งมันก็เปลี่ยนวิธีใหม่แทนที่จะใช้การดูลมหายใจเราใช้พูดโทพูดโทดูบริกรรมภาวนา เริ่มกระบวนการพอเริ่มอันนี้บริกรรมภาวนาไหมที่บริกรรมพุโทโธนี่ไหมครมาครับผมถ้าใช้คำบริกรรมแล้วมันเกิดอาการนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมจิตยังสติยังไม่พอกิเลสมันต่อต้านเราก็เลยต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์และการฟังธรรมไปก่อนก็ได้ให้มีสติมากขึ้นให้จิตสงบลงมากขึ้นให้กิเลสมันอ่อนลง แล้วเราค่อยมาบริกรรมพุโทโธเมื่อดูลมหายใจต่ออีกทีหนึง่งลูกให้เงินแม่แม่เอาเงินไปทําบุญได้บุญไหมครับได้ทั้งสองคนอนะ่ะถ้าเราไม่ไปสั่งแม่ก่อนนะถ้าให้เงินแม่โดยที่ไม่บอกว่าให้เอาไปทําบุญนะเพนดาให้แม่ขอให้ทําบุญกับแมล่ลูกได้บุญจากการทําบุญกับแม่แล้วถ้าแม่เอาเงินนี้ไปทําบุญต่อแม่ก็จะได้บุญอีก ถ้าทาไปทําบุญกับพระน้านะพระไปทำบุญอีกพระก็จะได้บุญอีกต่อเ น, นี้องเงินก้อเดียวกันนี้สามารถทําให้เกิดบุญได้หลายลอรอบแต่ถ้าไปกินไปใช้เองปั๊บมันก็จบบุญก็หมดเงินก็หจะทําอย่างไรให้คนที่เราหวังดีเขาเห็นว่าเรานี้ไม่ได้มีพิษมีภัยเพียงแต่ต่างคนต่างต้งตองปรับทิฏฐิมานะเคยพูดตรงๆเปิดใจแล้วผลก็ไม่ดีขึ้น จะตัดความสัมพันธ์ท oxic ก็ ส, สงสารพระอาจารย์เคยบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับก็เราต้องทําไปเรื่อยๆไงให้เขาเห็นเห็นว่าเราเรามีความปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่ทำแค่ครั้งสองครั้งอย่างที่โบราณก็บอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนอยากจะให้เขาเห็นว่าเราหวังดีจริงๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ และสักพักหนึ่งต่อไปเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเรามีแต่ความหมังดีแล้วไม่เคยไปทําร้ายเขาเลยแต่ถ้าทําครั้งเดียวนี่มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องระแวงใช่ไหมเพราะสมัยนี้คนก็ชอบเอาความดีมบาบังหน้าเพื่อที่จะทําให้เราตายใจเราตายใจแล้วทนี้เขาเอามีดมาเสียบหนังเราม า, าแทงเราเลยมันต้องระวังคนที่เขาทาความดีกับเราเราก็ต้องระวังไว้ก่อนดูไปก่อน ถ้าทําความดีไปเรื่อยๆสิบเดือนสิบปีก็ยังทําความดีเหมือนเดิมไม่มีเพี้ยนไม่ผยอย่างนี้เราก็จะมีความมั่นใจได้ว่าเขาไม่มีอะไรกขาทจริงจริงเราไม่เสพกามปัญญาก็รู้สภาวะธรรมแต่ทําไมยังมีนอนฝันเรื่องกามครับพยายามออกจากกามในฝันยังไงครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดตัดได้ปัญญาปัญญาน่าตัดเช่นถ้าเรามีกาม อย่างอยากจะร่วมกับนอนกับคนนั่นคนนี้อยู่เราก็ต้องพิจารณาสุภาพทนั้นมันถึงจะดับกามได้ถ้าเราอยู่กินอาหารน่าอร่ออร่อยแล้วกาพิจารณาสภาพที่อาหารกลายเป็นปฏิกูลไปเวลาเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเวลาขับถ่ายออกมามันก็เป็นปฏิกูลถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันอาการที่อยากจะเสกกามเหล่านี้ก็จะหายไปพรอาจารย์ครับการตัดสินใจในความฝันนี้มันก็เกิดจากจิตของเรา คื อ, อมันเป็นตัวบง่งบอกถึงสภาว่าของจิตของเราเนี่ยว่าเราอยู่ในระดับไหนเราได้ทำงานมาถึงระดับไหนแล้วแสดงว่าเรายังตัดไม่ได้ดไไดในฝันตัดไม่ได้ในเรื่องขอ ง, ของความเป็นจริงก็ยังตัดไม่ได้การบริจาคร่างกายกับบริจาคโลหิตแบบไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับ บางอย่างร่างกายนี้ไม่ได้บุญเลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วตอนที่เราตายไปแต่เบอร์จากตอนที่เบอร์จากเรื่องที่เรายังรู้เรื่องอยู่เรายังไม่ตายต้องมีความรู้สึกสุขจากการเบอร์จากเลือดแต่เราไม่มีความรู้สึกสุขจากการเบอร์จากร่างกายเลยเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเข้าไปทําอะไรแล้วตอนที่เราตายไปแล้วมีขอทานคนเดิมมาขอของกินทุกวันเราได้บุญไหมครับ ได้กระพะก็มากราธากพาะก็ไปเวชมฏัติทุกวันครับถ้านิมิตชัดเจนเหมือนไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยพิจารณาอย่างไรครับนั่นแต่ว่านิมิตนั้นมันเป็นนิมิตอะไรมีมีประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมของเราหรือไม่เช่นน่าเห็นอสุภะนี่ยก็เป็นประโยชน์เพราะมันจะทําให้เราตัดการมาราคาได้ เราก็มาพิจารณาอยู่บ่อยๆให้มันอยู่ในใจของเราจนเราไม่หลงไม่ลืมหรือถ้ามีนิมิตเห็นความตายของเราเราเป็นน่างการรำนนเป็นซากศพก็มาพิจารณาต่อได้แต่ถ้าเป็นนิมิตที่ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรก็ปล่อยมันผ่านไปอยากไปบวชเนกขมมะฝึกงดข้าวเย็นแล้วแต่สามีไม่อนุญาตให้บวชครับก็ตองรอสามีตายก่อน มีผู้กล่าวว่าศาสนาพุทธเวลาจะเสื่อมยุคสุดท้ายจะอยู่ที่ทานยุคพระจะไม่สอนธรรมแต่อยู่ให้ทานเมื่อพระมีเงินจะไม่คิดเหมือนพระแต่จะคิดเหมือนชาวบ้านอย่างนี้จริงไหมครับเมื่อย่างที่พูดตอต้อนรายการนี่มันจะค่อยๆเสื่อมจากปัญญาหายไปสมาธิหายไปศีลหายไปเหลือแต่ทานสร้างทาวเวอร์วัตถุกันใช่ไหม การโกหกเพื่อให้คนรักสบายใจไม่เป็นห่วงเราที่เรียกว่าโกหกสีขาวถือว่าผิดศีลหรือเป็นบาปไหมครับก็เป็นบาปเป็นการโกหกอยู่ดีมีผู้ฟังแจ้งว่าฟังอยู่ที่สนามบินที่ปารีสด้วยนะครับรอาจารย์ชื่ออะไรนะคุณพัทภะพอน ะ, ะอปาวา ม, มการอยู่ที่ฝรั่งเศส มีบ้านอยู่ที่ฝาั่งเศสมาปฏิบัติธรรมม่สามวันที่ก่อนเมื่อกลับไปครับผ ม, มถ้าเราทำบุญให้คนที่ฆ่าตัวตายบุญที่เราทำให้เขาจะสามารถช่วยทำให้เขากลับมามีสัมมาทิฏฐิไม่ฆ่าตัวตายในชาติต่อๆไปที่เขาเกิดได้ไหมครับไม่ได้หรอกที่จะทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตายต้องสอนเขาให้เกิดปัญญาว่าการฆ่าตัวตายนี้มันฆ่าผิดคนคนที่ต้องฆ่าคือกิเลส มีความอยากได้นู่นอยากได้นี่พอพอพอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ความเศร้าขึ้นมาถ้าเราไปตัดความอยากเอลที่ได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ความเศร้าเราก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายค่าร่างกา ย, ยนี้มันไม่ได้เป็นค่าเหตุที่ทําให้เราฆ่าตัวเราตายเหตุที่ทําให้เราฆ่าตัวตายคือความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากความอยากต่างๆเราต้องไปฆ่าวความอยากของ น, นั้นต้องสอนเขาต่อนตายเนะี่ย การตายเปราสอนไม่ได้การตายจากหนึ่งชีวิตรูปนามสามารถดับคนละช่วงเวลาได้ไหมครับรูปรูปรูปตายไปแต่นามไม่ตายนามไปกับใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไปกับใจแต่รูปคือร่างกายกลับกลืนสู่สภาพเดิมคือธาตุสี่ดินน้าลมไฟขอการพระอาจารย์คำถามสุดท้ายครับศีลแปดด้วยตนเองที่บ้านสัมผัสคุณพ่อได้ไหมครับ คือตามหลังแล้วเขาไม่ต้องการให้สัมผัสกันแต่ความจริงมันยังไม่ผิดสินแปดหรอกสินแปดมันจะผิดก็ตัองเมื่อเราไปร่วมหลับนอนกับเขาเนี่ยถึงจะผิดแต่การไปจับเนื้อต้องตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเขาก็เลยไม่อยากจะให้สัมผัสกันแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเช่นต้องเอาน้ำให้พ่อหรือทําอะไรให้กับพ่อต้องจับเช่นไปตรวจตัวจชีพจรให้กับพ่อหรือฉีดยาให้กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นพยาบาลเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็ใช้ใช้สติใ ช, ใ ช, ใ ช, ใช้ปัญญาว่าเราไม่ได้ทำด้วยการอารมณ์แล้วกันแต่ในสายตาทางทางโลกเขาก็อยางว่าเขาก็เตีมใจแ น, น่ว่าเป็นผู้หญิงเธอสินแปดไปจับเนื้อตังตัวผู้ชายไม่ได้ก็ก็ดูตามกฎระเบียบไปเท่านั้นเองแต่ถ้ามองตามเหตุตามการปฏิบัติแนวทางแล้วมันก็ไม่ผิดตรงไหนแล้วถ้าเราไม่มีการอารมณ์ขึ้นนะเราทำด้วยความเมตตาทําม โอกาสรับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซเจ็ดร้อยท่านในยูสี่ร้อยเจ็ดสิบในคลับหกในติกตอกสี่ร้อยสามสิบสี่รวมคนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันหกร้ยสิบเอ็ดท่านนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนกาสิบสามนาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสามคำถามครับอาจารย์ครับอืมวันนี้ทาง YouTube ก็น้อยลงไปหน่อยนะทำอะรยูที่ประมาณ6ล้อก็ยังดีไม่ไม่หดไปมากแสดงว่ายัง ครับยังติดตามอย่างเงี้ยแน่นอยู่ก็เช่นชอบนินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาฟังถามฟังคําถามและถามคำถามหผมว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้นำเอาไปพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นต่อไปการสนทนาธรรมสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอร สขอลาคุณหมอแลนะท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้เท้าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์นะใช่ไหมคุณหมอใช่ครับอาจารย์ครับทีน่น<า>ี่ไม่ใช่ว<า>ันจันทร์นันเดี๋ยวจะคิดว่าเปลี่ยนมาเป็นวันจันทร์ตลอดอันนี้เป็นเพียงแต่กรณีพิเศษเท่านี้ครับโอเคเอาเนะท่านี้ก่อนนะขอะเริญญาณกลับขอบคุณอาจารย์ครับ